พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยสี่ลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ห้ากุมภาพันธ์สองพันห้า้อยหกสิบมีชื่อเรื่องว่าจุดจบของชีวิตเว้าวแบบภาษาง่ายๆภาษาบ้านเฮานมานีเนาะ ไปใสก็บยิ่ยิ่แต่เพิลนเล า, าะภาษาไทยภาษากลางห้าวว่ภาษาอีสานฟังง่ายๆกับพ่อมั้งเนาะเมื่อนี้แต่กับว่หลายเมื่อนี่เพราะหลวงพ่อก็เป็นเขาตั้งจังวัดใส่ปากใส่ขอหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอเลยเป็นวัดเป็นไอ่ก็ทําให้ว่ออยังมีแต่ไอเป็นน้ำพร้อมถึงจะได้ให้ลูกหลานฟังฟังเมืนนะ่อนหลวงพ่อจะบอกอยังให้ฟังเมื่อนี้หลวงพ่อจะได้กาว สังเวทนิยกถาคือกาวท้ำคํำสอนที่เป็นความสลดสังเวทจิตใจสำหรับผีนองลูกหลานทุกขูกทุกคนติมใน้มาในงานศพทรงจรีละสังขารของคุณแม่หุ่นเองคุณแม่หุ่นเองแท่นิมถึงแก่กรรมด้วยโรคชรลา เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบรวมสียซิริอายุได้แปดสิบามปีหกเดือนสิบสามวันโอ้ลูกหลานลายคัคกแถวๆวะ่ะเนี่ยคุณแม่เมื่อนี่ก็เป็นวันทีหาตรงกับวันอาทิตย์พวกลูกหลานไดมาาพ่อมันจากจาตุรทิศใดมาทรงส ก, การมาทรงคุณแม่เอ่อเป็น ว่าละจุดถ่ายของเพลินพระันขอให้พี่น้องสัท่าญาิโยมทุกขู่ทุกคนลูกหลานทุกคนตีมาในงานในข้าวนี้ครั้งนี้ก็มากทรงสการมาทรงศบ เ, เพื่ อ, อข้าวนี่ตาข้าข้าวนาตาเองมันไม่พวกข้าวเป็นข้าวของไผ่ของมัน่น พ่มีผู้ใดผู้ใดหลีกลีหนีพ้นไปได้เหลืองมรณะไผ่คือความตายตัวนี้เพราะนั้นขอให้พวกเข้าทันทั้งหลายพระพุทธเจ้าเพณ์ก็บอกว่ากู้บาอาจารย์เพณนก็บอกว่าพวกเข้าทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในการประกอบคุณง่ามความดีในการสางบุญสางกุศลอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนเนาะตายแล้วเกิดอีกเออเอาหลวงพ่อ เอาอย่างมาว่อหลวงพ่ออินเอาอย่างมาเปรียบเทียบว่าตายแล้วเกิดเอกอันนี้ให้เข้าศึกษาในพรลักษพระธรตุข่ำสอนของพระพุทธเจ้าออแล้วก็มีผู้ถามว่าเอา้าหลวงพ่ออินเสื้อคลักประนันบ่อในพระลักษพระธรตุข่ำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเนี่เสื้อเกิดรลอยเพราะเหตุใดเพราะว่าเมื่อฟังแล้วได้ศึกษาแล้วกับพวกเขาก็หนํามาปฏิบัติในเมื่อน้ามาปฏิบัติแล้ว ก็เป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่พณเณ่เณ่เณ่เณ่เณ่ไว้ในพณเขียนแผนที่ไว้พณว่าตายแล้วบ่อศูนย์อย่างที่พระพุทธเจ้าพนไปนางภระวนาอยู่คนตนพ่อในพุทธคยาประเทศอินเดียนะท้าว่าผู้ายไปประเทศอินเดียจะเห็นที่พระพุทธเจ้าตัดสู้อยู่คนตนพ่อมีตนพ่อตนหนึ่งนางสมาธิหันหนาไปทางทิศตะวันออก เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหนา้าพันกับภาวนากําหนดลมหายใจเข่าหายใจออกหายใจเข่าหายใจออกมีสติสัมปะชั่นอย่นลมหายใจออกจากนั่นพระ อ, องค์จิตใจของพระ อ, องค์ร่วมสงงบลงเป็นหนึ่งจิตใจร่วมจิตใจบป๋งบ๋องผู้สัตว์อย่างพวกเข้านางอยู่นี่ เดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็คิดเรื่องคือหอดถูกหอดล้านหอดบานหอดเมืองหอดคิจการคิดโมโหโธ่ท่าหรือแต่ละเหมือแต่ละเว้นแต่ละเวลาเนี่ยเคสอยู่ตลอดนี่แหละอันนี้เพราะจิตถิปุ๋งฟุ่งซ่านนะแต่บ้านในพันบ่ให้มันปุ๋งมันฟุ่งมันซ่านให้มันร่วมให้มันโยงกับลมหายใจเข่าออกหายใจเข่าก็ฮู้ว่าจะหายใจเข่าหายใจออกกวอร์รู้่หายใจออก มีสติสัมปชัญญะในร่มหายใจเขา้าในร่มหายใจออกจากนั่นใจของเพิินร่วมเป็นหนึ่งคือจิตบกคิดออกไปทางนอกในวันจิตหนึ่งพ่อจิตร่วมสงบล่องเป็นหนึ่งแล้วเกิดความรู้พิเศษขึ้นมากเกิดยาธเกิดญาศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษเขินมากในขณะนั้น เ, เพินมีความรู้เนมาเพลินระลึกชาติหลังใด ปุเพนิวาสานุสติยานลลึกชาติผลหลังได้เอ่ยกันครับเพิ่นมาเกิดชาตินี่ชาติที่แล้วนี่เป็นอย่างเออเพิ่นมาจากสาลงมาเกิดในข้าวนี่เพิ่นก็หู้ไดโอเรามาจากสวรรค์สันตุเซธแต่ก่อนที่จะขึ้นไปสวรรค์สันตนุเซธนี่ไปจากสาโอในชาตินั้นเราเกิดเป็นพระเวชสันดรเ อ, อ่ได้ปบ่มเพนท่าน จะได้เกิดเป็นเกิดไปเกิดบนสวรรค์สั่นทุเซ็ดพันกระไลไปอีกว่าก้อนที่จะม า, มากเกิดเป็นพระเวทสั้นดอนเนี่ยมาแต่ใสพันกระไลไปเอกเนี่ยลายเลี่ยงไปตามล้ำรับล้ำรับคือญาณนัตนะของเพลินญาณนรัญาณนัตนะของพระพุทธเจ้านี่ยาวนานฮะแอบแปลว่าปุพเพนิว่าสานุสตติญาณระลึกชาติท้นหลังได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนชาติเลย เมื่อพลเรือชาติหวนหลังได้เพิ่นกระเบงโอเล่านี่ตัวของเรามนุษย์ของตัวของเราเองนี่ตายแล้วบ่อลซูลเออมีพบมีชาติในอดีตชาติมากไม่เลยบางชาติก็บตกทุกแต่ยากบางชาติก็ล่ํารวยบางชาติก็เป็นกษัตริย์บางชาติก็เป็นข้นทุกอนาถาบางที่ก็เป็นง่วเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเก็นเป็นไก่เป็นได้มากไม่ อันนี้เพื่อ พ, อพละลึกชาติคนหลังไหนโมเมนจิต เ, เป็นคนก็เป็นคนอยู่ตลอดโมเมนต์ใดชาติได้ท่ารรมชัวพ้นกระโ ต, ต, ต๊กตำหมดไปว่าชาติได้ท่ารรมดีเพ้นกับไปสู่สวรรค์ได้เกิดเป็น เ, เป็นมนรรุษย์สูงท์แต่เนี่พ่อถึงเทียงเคลืนบาดนียเพราะตอนหัวคำเลยผมบอกปุ๊พพเพศว่าส า, านนสติญาณนี่ตอนเทียงตอนหัวคาพ่อถึงเทียงคลืนบาดนีพระองค์มอง มองออกไปข้างนอกอย่างหลวงพ่อนางยึงสิละ่ะมองเห็นญาติเห็นโยมนางโยต่อหนาเั่นสิละ่ะพราะพระพองค์พก็มองมองดูสัพพสัตต์ทั้งหลายเจ้าว่าจุตูปปาตาญาอาคือมองดูสัพพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดว่าล่ะเป็นอย่างบกคือกันอผู้หนึง่งเป็นจังนึงเป็นคนคือกันแต่บกคือกันเป็นสัตว์คือกันแต่บกคือกันเออ บางตัวก็ดฉลาดบางตัวก็บรฉลาดบางตัวก็มีความสุขบางคนก็หล่ําร่ยบางคนก็อยากจนบางคนก็พิโกงพิการบางคนก็ฉลาบ่สมบูรณ์เป็นอย่างเกิดเป็นคนจึงบอเหมือนกันพระองค์ก็ม่องเบิ้งเอกกว่าเน่ยเบื้องเบื้องแต่ละคนอีกมองดูวิญญาณและตัวตัววิญญาณไลเลี่ยงลงไปวะเนี่มันเป็นอย่างมันยังบอกคืบกัน เพราะองมองด้วยแล้วโอการกระทํากรรมการทํากรรมทําบกคลือกันคิดบกคลือกันการกระทําบกคลือกันการพูดบกคลือกันในเมื่อคิดทําพูดบกคือกันกรรมเหล่านั้นจึงจําแนกให้ทรัพย์สัตว์เกิดป่าปกคลือกันถ้าว่าพูดได้คิดดีทํำดีพูดดีกรรมดีจะให้ผลผู้นั่นจะไปในทางที่ดี ถ้าพอไรคิดชัวทำชัวพูดชัวกรรมชัวจะให้ผลผอ้นั้นกิดจะตกต่าอันนี้พระองค์มองดูแล้วพระองค์จึงกล่าวในโอว่าตปฏิโมกว่าอัคตังลุ ก, กตังเสยโยปัจชาตปติลุ ก, กตังกรรมชัวอยา่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแล จะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้คือเป็นตรัสไวเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือพวกเข้าเนี่เป็นไปตามกรรมเพราะนั้นพวกเข้าได้มาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมํามสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเช่งใดที่มัน่นบอดีอย่าทำเออถึงในปัจจุบันนี่ก็เถอะนะถ้าว่าผู้ใดท่ากรรมที่บอดีเฮ็ดที่เชีงที่มัน่นบอดีไปลักไปขโมยไปป่นไปจีไปขาไปแกง ไ ป, ไปโคดไปกองเข า, เาไปทํำผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรแปลว่าทํำบอดีในเมื่อทํำบอดีเขาก็จับเขาคุกในเมื่อไปพูดบอดีอีกไปด่าเขาอีกไปโกหกต้มตุ๋นหลอกล่วงเขาอีกเขาก็จับเขาคุ ก, อกเอกยางหน่อยกับปับไหมไส้โทษออกนี่แหละกรรมบอดีจะให้ผลจังสัน่นถ้าว่าทํำกรรมดีการพูดพูดดีแล้วก็ มีศสลีเป็นเสลีเป็นมงคลสําหรับผู้ที่พูดและกัผู้ใดยินได้ฟังเป็นประโยชน์ในการใดยิ้นได้ฟังพอเป็นแนวทางสําหรับพวกเข้าผู้ใดยิ้นได้ฟังคนเข้าต้องอาศัยการใดยิ้นได้ฟังเพราะนั้นการเข็ดก็ดีการทำก็ดีการพูดก็ดีไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมพวกเข้าอยู่ในสถานที่ใดจะร่มเย็นเป็นุข อันนี้พระพุทธเจ้าพนพอถึงเชียงคือเนี่ยพนได้มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายมองดูสรรพโลกทั้งหลาย อ, องค์จึงบอกว่าสิ่งที่มั่นซัวสิ่งที่มั่นบอดีอย่าเหติอย่าทำนะ่ำเน้อถ้าเหติท่ำลุกไปแล้วการที่กระท่ำลงไปแล้วนะี่ยมันจะเดือดร้อนจบของเลยมันบดเดือดร้อนผู้เอิญพอดันขอยพวกเข้าลูกหลานทุกขูขทุกคนเนะ้อเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พวกเข้าประกอบแต่คุณงามความดีสั่งบุญสั่งกุศลเอาไว้อย่างกุยญายของเห้านี่แหละเพืเ่อนกัประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอดลูกหลานของเพิรนสืบทอดตามพอตามแม่ทีแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแต่เาขาวัดเขา ว, ว่าปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเปะนั้นขอให้พวกเข้าลูกหลาน ทุกคอนทําให้ต่อไปเรื่อยๆอผู้ที่บวชในเฮ็ดสินบวชในถ้ำก็บ่รเทาสินลุ่ยกัวเฮ้าเดี๋ยวมิตรทุกข์ใจบรสบายใจพวกเฮ้านี่สร้างสินสร้างถรมอย่างหลวงพ่อนี่นะอหลวงพอ่อบอกมิยังออยู่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงพ่อก็มีความสุขมีความพ่อใจได้ลูกหลานเนี่ยพอ่พอเฮ็ดใดพ่อเลิศระลึกถึงเล่าบริเห็ดความส่วเสียหายยังมีแต่ประกอบคุณงามความดี สิ่งที่มั่นบอดีบอ่อเห็ดบอ่ทบอทำบ่อโพดในสิ่งที่มั่นบอดีเข้าโพดทำสิ่งที่มั่นดีมีความสุขใจเลยพอหนั้นขอให้พวกเข้าลูกหลานทุกคนนะให้ประกอบคุณงามความดี ส, ส, สร้างบุญสร้างกุศลพอถึงลอยปีนกต่างก้นก็ต่างไปแต่ถึงอย่างไหนก็ตามถ้าว่าคนทําซัวไปนี่ค้นขอตํานี้อย่างหนึ่งได้ถ้าว่าค้นดีไปยังได้หลวงเห็นไหมล่ะ ในหลวงพ้นไปพ้นมิตรสั่งดีตลอดประศกนีก่อนทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็ยังแห่เข้าไปก่อนที่จะไปเขาไปกราบศพเพลินได้ก็ตั้งตั้งเจ็ปดเก้าชั่วโมงคนน่ะยังคอยเขาไปถึงเพลินได้นี่แหละคนดีในหลวงเนี่ยนะเป็นคนพระ อ, องค์เป็นประกอบคุณง่ามความดีนี่แหละความดีเป็นยังสัน่นเลยธนว่าคนชัวร์นี่ไผได้เกียก้ยนไผ่ก็จะอ้วดหูวันออกไปอ้ดอยากได้เงิน เออพอได้ยินเขามาแล้วก็อักกระอวนเพราะอะไรเพราะความสวัวเพราะนั้นให้พวกเข้าทั้งหลายถึงจะบอดีเปลิ่นปัน เ, เหมือนกับไนหลวงกว็เถอะนะก็ให้เอาเสียวหนึ่งน้อยๆน้อยๆมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีอยู่ในชุ่มชนสังคมให้เป็นทีย่อมรับของชุ่มชนสังคมบ่ให้เป็นขี้รังเกียรเตียดสันของชุมชนสังคมก็ดีแล้วนะแล้วก็พร้อมกันก็ให้ สร้างบุญสั่งกุศลการทำมาหาเลี้ยงชีพกระจำเป็นการทำมาค้าขายกระจำเป็นแต่การส่ะแสวงหาทรัพย์เข้าสู้จิตใจกระจำเป็นแะการสร้างบุญสั่งกุศลกระย่างเหินเกินไปเพราะว่าอาหารกายอย่างหนึง่งอาหารใจอย่างหนึ่งนะีอาหารกายกคือนี่ยนะข่าวน้ำข่าวน้ำพุชนาอาหารปัจจัยเนะี่คืออาหารของร่างกายส่วนศีลธรรมบุญกุศลนะ่ยคืออาหารทางด้านจิตใจ เข้าควรทนถำทั้งสองอันนั่นแหละทั้งอาหารกายอาหารใจถ้ำคู่กันไปเมื่อเราทำอาหารทางด้านจิตใจแล้วนะส่องแสวงหาบุญกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจจิตใจจะแน่นหนามันคงเดชจิตใจจะไม่ว่าเวอ่างว่างเงียบเหงาเสาซึมคั่นาวะพวกเข้าบุญี่บุญในกุศลในจิตใจเอาละเลิกถึงมากขึ้นมาย่มไรจิตใจของข้าวจะว่าเวอ่างว่างเงียบเหงาเสาซึมนะ บนะอดีนะเพราะนั้นขอให้พวกเข้าทุกๆคนนะถึงเข้าจะเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์กั้นขํามทรัพย์สมบัติได้มากมายเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดในชุ่มชนสังคมแต่วาเห้าบริสางบุญสางคุศลนมั่นกระบอกบอดีได้การหา ว, ว่าเห้าสางบุญสางคุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจแล้วมีแต่ความสุข หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบวา่าเงืนข้ามับสมบัตินี่ถึงจะมากมีมั่งมีขนาดใดก็ตามส่สงถึงโรงพยาบาลญาติพี่น้องของเ้าเนี่ส่งถึงแมน่น เ, เงื่อนข้ามซับสมบัตินี่ส่งถึงโรงพยาบาลไปรักษาโรงพยาบาลเท่าไรจ่ายมัดบ่บมีอันพอเขามีเงิน เออแต่หมอวมัดความสามารถวัดความสามารถแบบวันในเฮจไนวันเออผลในส่กับจดจบของชีวิตญาติพี่น้องถึงจะหักลูกเต่าเล่าล้านถึงจะหักปันได้หักกันปันได้ก็ตามมาส่งถึงเมนเ่นพอมาส่งถึงเม่นเข้าไปแล้วก็ไปว่างรอกไม้จันท์ตั้งจิตอธิษฐานเคุณอยากคุณใจเอ้ยอ ผู้ขาได้ประมาทพลาดพัง ด, ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้คุณยา่าคุณย่ายอโ oh, หสีกำให้ผู้ขาด้วยเทิดแล้วกัผู้ขาก็คือกันนั่นแหะถ้าคุณยา่าคุณย่ายได้ประมาทพลาดพังทําอย่างเชิงไดผู้ขาก็ให้อโหสีกำกับคุณ ย, าย้าคุณ ย, าย่าเนอนี่ เ, เสร็จแล้วก็ว่างดอกไม้จันละก็ล่งมานาั่งจากนั้นคุณย่ายก็เข้าไปสู่เม่นละวันก็ไฟเผาพ่อไฟเผาเลยยื้อเลือแต่กระดูกวันนี้ ไปตามลําพังในะบานเนี่ยคุย่ายไปตามลําพังแหละอัตหิอั ต, อตนโนนาโถโกหินาโถปรโรติยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากบุญกับบาปท่านน่นะจะเป็นที่พึ่งของเฮาต่อไป พ, าพา่ายภาคนาเพราะนั้นแหะตายแล้วบอลศูนย์อย่างที่หลวงพอ่อเนาว่าเบื้องต้นเพราะพวกทีเจ้าเพ้นเห็นแล้ะพ้นรู้แต่ละว่าตายแล้วเกิดเอออันนี้คือการพ่อคุณย่ายออกไป จากที่นี่แหละพ้นก็ไปหาเกิดเลยทีนไปดาววนเพลินมีบุญมีกุศลเพลินกับภาพเพลินก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นพ้อมพลบาลนี่สวรรค์ชั้นฝ่าของเพลินแต่คุณยายของเฮาเนี่ยเป็นผูกจิตใจเป็นกุศลเลยพ้นเพลินออกจากภพนี่ชาตินี่เพลินก็คงจะเบื่อในร่างกายของเพลินโอ้มันถูกมาอยากออกจากร่างกายไปแล้วนะผู้ขายจะไปอยู่สวรรค์ไปพักพรอยู่สวรรค์ให้หายเหนื่อยซะก่อน ไอ้จงลบมาเกิดสางบา ร, รมีอีกพันขจีวาจังสั้นแล้วนะอันนี้ขอให้พวกเข้าทุกๆคนนะแล้วคู่บาจานเข้าคือกันเนะ๊ะแอนยังหลวงปูหลวงตาที่เป็นที่รักเข้าโลของเขานี่เพื่อนนางพา่อวนาแล้วเพื่นจะาหุ่นจักไดๆว่าตายแลว้วบอสูญนตายแล้วเกิดอีกเพราะนางจิตใจสงบนะจิตใจสงบยังที่พระพุทธเจ้าพันวาไหวได้ว่นะจิตใจสงบเน่งแอนพอสงบเน่งเลยจะเห็นได้เลยบ่ะเนี้ย ร่างกายกับใจใจกับกายร่างกายคือกันกับรดจิตใจคือกันกับค้นคับลดค้นคับรถกับรถเนี่ยมันเป็ดยังสั้นละ่ะร่างกายนี่ถึงอายุของมันเอาไปเผาไฟถิ่งแน่ๆน่เนีแต่ว่าโซ่เฟอร์รถออกจากร่างเลยตายกายใจเนี่ตายบอ่อเป็นเพื่นวานน่ะน้า ม, มาทำตัวนี่ออกจากร่างไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆเพราะอนั้นขอให้พวกเข้า หาเงินโซเฟอร์หายหาเงินใส่กระเป๋าเจ้าของคันนว่าโซเฟอร์มีเงินเงิ น, นแล้วออกจากรถขันนีรถขันหนีมันห้างแล้วก็มีเงินแล้วเอาเงินใส่กระเป๋าไปสือรถขั้นใหม่ได้อีกสวยง่ามกว่าเก่าท่า ว, ว่าโซเฟอร์มิตรเที่ยวมิตรเตียเ่ยวมิตร เ, เตรมิตรเล่นอสนุกสนานเป็นมือมือมือเว้นเว้นไปบกเกตบวานนะอ่ พ่อออกจากรถขั้นนี้ไปแล้วคะแนนแล้วบ่มีเงินบาทนี่ขั้นหาไปเกิดก็ไปเกิดพลบัตรเนี่เป็นหมูหมากาไกา่เป็นชัดที่ไรฉานไปแล้วบาดเนี่พราะบ่มีเงินบ่มีบุญนะคนณบ่มีบุญเป็นเงิซันเดอคณะธททาตุญาตโยมการกาวสังเวทธนเยกนิยกถานในมั น, นีก็เห็นวา่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภาษีลัตนาไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย ขอให้มากคุ้มครองพวกเราของให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาเสียงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปราถนาและก็พร้อมกันพวกเข้ า, เ, าเมื่อมาทําบุญเมื่อประสงค์อรุโมตนาให้พร่อนก็ให้น้อมจิตอุทิศถวายน้ อ, อมน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลต่อคุณโยมคุณย่ายที่เป็นญาติ เป็นปู่ายาตาญาตเป็นญาติชนิดของพวกเข้าที่รักเคารพขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายสิงสถิตอยูน่นสถานที่ใดก็ขอให้มีความสุขตลอดไปและก็ขอพวกเขาก็เช่นเดียวกันลูกหลานทุกคนก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจปรารถนาเสียงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังป่าถนาทุกข์ทุกคนเนะ้อ